อตีตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 78. อนุทุกษัตริ์ของบุคลคลใดเคยเกิดสมุทยาสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้น ทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สมุททยาสสะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสมุททยาสสะก็จะเกิดปฏิสมุททยาสสะของบุคคลใดจกเกิดทุกขัสสะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุทุกขัสสะของบุคคลใดเคยเกิดมรรคัสสะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรรค อรหันตแต่บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มตรรคสัจไม่ใช่จักเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทาคขณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขัสัจของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมรรคสัจก็จักเกิดปฏิมรรคสัจของบุคคลใดจักเกิดวิใช่เจ็สิบเก้าอนุ สมุทยศัตร์ของบุคคลใดเคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักอรหันต์บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักสมุทยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักสมุทยศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด และมกษัตริย์ก็จะเกิดปฏิมกษัตริย์ของบุคคลใดจกเกิดวิใช่อนุโลมโอกาส80อนุทุกษัตริ์ในภูมิใดเคยเกิดอนุโลมปุคะโลกาส8บออนุทุกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมุทยาสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมัก อรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัจตตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมุทัยสัจไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมุทัยสัจก็จักเกิดปฏิ สมุทยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดทุกข์สัตรว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิสมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุกข์สัตรว์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตัววัวกาฬภูมิและปัญจวัวกาฬภูมิสมุทยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกข์สัตรว์ก็เคยเกิดอนุ ทุกขศัตรของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคศัตรของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรักบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและอสัญญาสัตภูมิทุกขศัตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคศัตรไม่ใช่จักเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใด ในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักทุกข์กริสัของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคสัดก็จะเกิดปฏิมรรคสัดของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดทุกข์กริย์ดของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิด <Yeah. S 1> ใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุดทาวาสภูมิมรรคสัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ทุกข์กริย์ไม่เคยเกิด บุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทคณะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มักมกรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและทุกสัจก็เคยเกิด82อนุสมุทญาสัจของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมักอรหันตบุคคล บุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบยยายภูมิสมุทรยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทาภนะแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าเอื่นผู้จักได้มรรคสมุทยศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคสัตว์ก็จักเกิดปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด สมสุทธยาสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่มรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมสุทธยาสั์ไม่เคยเกิดบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทัขณะแห่งจิตนั้นบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมสุทธยาสั์ก็เคยเกิด ปัจาเนกาบุคคลแปดสิสอนุทุกขัสัจของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุททยสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสมุททยสัจของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดทุกขัสัจของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุทุกขัสัจของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหม วิไม่มีปฏิมรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดทุกขสัจของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดแปิบสอนุสมุทญาสั์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิมรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดสมุทญาสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ เคยเกิดปัจจเนีกะโอกาตปดสิบห้าอนุทุกปรศัตรในภูมิใดเมื่อเคยเกิดปัจจเนียกะบุคโอกาตปสิบหอนุทุกประศัตรของบุคคลใดในภูมิใดเมื่อเคยเกิดสมุทรยศาสของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจักเกิดปฏิสมุทรยศาสของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ทุกขศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุทุกขศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจกเกิดปฏิมรรคศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดทุกขศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด87อนุ สมุทยัรว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมกษัตริย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิเมื่อติดดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สมุทรยศของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มกษัตริย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทรยศของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมกษัตริย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ มรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสมุทยาสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรักและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สมุทยาสัตว์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, าภาูมิ มกษัตริ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและสมุทยัยสั์ก็ไม่เคยเกิดอุปาทวาระจบสองปวติวาระสองนิโรทวาระหนึ่ง ปัจจุบันเนวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลแปอนุทุกขสัจของบุคคลใดกําลังดับสมุทยัยสัจของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตันหาในประวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่สมุทยัยสัจไม่ใช่กําลังดับ ในพังค์ขขณะแห่งตันหาทุกขัสสะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและสมุทยาสสะก็กําลังดับปาิสมุทยาสสะของบุคคลใดกําลังดับทุกขัสสะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิใช่อนุทุกขัสสะของบุคคลใดกําลังดับมรรคสสะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ ในพังคขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุทธจากมรคในประวัติการทุกขศักดิ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มรคศักดิ์ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งมรคในปัญจโวการภูมิทุกขศักดิ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมรคศักดิก God God. ก์ก็กำลังดับปฏิมรคศักดิ์ของบุคคลใดกำลังดับทุกขศักดิ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในพังค์ขาคณะแห่งมรคในอรูปภูมิ มรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ทุกสัต์ไม่ใช่กำลังดับในพังคะขณะแห่งมรในปัญจโวการภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและทุกสัตจก็กำลังดับ89อนุสมุทัยสั์ของบุคคลใดกำลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิมรรคสั์ของบุคคลใดกาลังดับ สมบทยาสัตว์ของบุคคล น, นั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่อนุโลมโอกาต90อนุทุกขสัตว์ในภูมิใดกําลังดับสมบทยาสัตว์ในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นทุกขสัตว์กำลังดับคําที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งไในอุ ป, ปาทวาระนิโรทวาระ และอุปาทานิโรธวาระไม่มีข้อแตกต่างกันอนุโล ม, มะปุขโลกาส91อนุทุกขสัจของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับพึงขยายคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดซึ่งเหมือนกันให้พิจารณาปัจเนกาบุคคล92อนุทุกขสัจของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับ สมุททยาศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุททยาศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับทุกข์ัตรูของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังค์ขณะแห่งจิตที่วิปยุทธ์จากตันหาในประวัติการสมุททยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ทุกข์ัตรูไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติ ใ น, gression, ในอุปาทคณะแห่งจิตในปวัติสการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทญาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและทุกขศาสตร์ก็ไม่ใช่กําลังดับอนุทุกขศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิในพังคคณะแห่งมรรคในอรูปภูมิทุกขศสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มรรคไม่ใช่ไม่กําลังดับ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังค์คคขณะแห่งผลในอารมณ์ภูมิทุกขศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและมรรคศัตร์ก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิมรรคศัตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับทุกขศัตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค ข, ขณะแห่งจิตที่วิบยุจจากมากในประวัติการ มักศัตด no mm. ิ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ทุกขศัตดิ์ไม่ใช่เมื่อกําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังค์คณะแห่งผลในรูปภูมิมักศัตดิ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและทุกขศัตดิ์ก็ไม่ใช่กําลังดับ93อนุสมุทญาตศักดิ์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมักศัตดิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหม วิในพังฆะขณะแห่งมรรคสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มกษัตร์ไม่ใช่ไม่กาลังดับในอุปาทฆะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในพังฆะขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากตัญหาและที่วิปยุจจากมรรคบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและมกษัตร์ก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิ มรรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังฆาคขณะแห่งตันหามรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สมทุทัยสัจไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในพังฆาคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากมรรคและที่วิปยุจจากตันหาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัต และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสมุทยัยศก็ไม่ใช่กำลังดับปัจเจเนกาโอกาด94อนุทุ ก, กษัตริย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับปัจเจเนกาปุคโคลกาด95อนุทุ ก, กษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ ข้อที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดก็ดีในภูมิใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันแต่ในข้อที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่เพิ่มเพิ่มคําว่าบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ ตีตวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล96อนุทุกขัสั์ของบุคคลใดเคยดับสมุทยัยสั์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อตีตปุชฌาในอุปาทวาระทั้งอนุโลมและปัจจินิกะท่านจำแนกไว้แล้วฉันใดแม้ในนิโรทวาระก็พึงจำแนกฉันนั้นไม่มีข้อแตกต่างกัน สามอนาคตาวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล9กอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดจักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัคขณะแห่งจิตนั้นทุกขสัต์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับ แสมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกขัตย์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับวิใช่อนุทุกขัตย์ของบุคคลใดจักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขาขณะแห่งอรหัตมรรคอรหันตะบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรค ทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มรรสสัจไม่ใช่จักดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรักทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมรรสสัจ ก, ก็จักดับปฏิมรรสสัจของบุคคลใดจักดับวิใช่98อนุสมุทยาสัจของบุคคลใดจักดับ มรรคสัจของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทัยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มรรคสัจไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมรรคสัจก็จักดับปฏิมรรคสัจของบุคคลใดจักดับสมุทัยสัต์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอารหตมรรค บุคคลจักได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้ ม, มรรคมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทยสัตว์ก็จักดับอนุโลมะโอกาส99อนุทุกสัจในภูมิใดจักดับอนุโลมะปุคะโลกาต100อนุ ทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสมุทยาสัจก็จักดับข้อที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปัจเนกาบุคคลร้ 1. อยหนึ่งอนุทุกษัตริย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทยาสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ ใช่ปฏิสมุทธยาสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสั์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลและบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทธยาสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขสั์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังค ข, ขณะแห่งปัฏิมจิต สมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขัตย์ก็ไม่ใช่จักดับอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิมรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังค์ฆาคนะแห่งอรหัตมรัคอรหันต์บุคคล และบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักมรรคสัตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคข้าขนาแห่งปัจฉิมจิตมรรคสัต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับรอยสองอนุสมุทยาสัต์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมรรคสัต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทคขนแห่งอรหัตมัก บุคคลจักได้อรหธรรมคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุททยาสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่มรรสัดไม่ใช่จักไม่ดับในพังขคกณะแห่งอรหธรรมคอรหันตบุคคลสมุททยาสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและมรรสัดก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมรรสัดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุททยาสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ บุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้ ม, กมักมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ส ม, มุทัยสัจไม่ใช่จักไม่ดับในพังค้าขณะแห่งอารหัตมักอารหันตบุคคลมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและส ม, มุทัยสัจก็ไม่ใช่จักดับปัจจเนีกะโอกาสร้อสอนุทุกสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่จักดับปัจจเนีกระปุคโลกาศร้อยสอนุ ทุกขศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทัยศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทัยศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขศัตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทยัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัติมจิตสมุทยัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับอนุทุกสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับนใช่ไหมวิใช่ใชปฏิ มรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแหา่งอ ร, อรหรตัตมรรคอรหันต์บุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอับายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิต มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับร้อหอนุสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งอราตมักบุคคลจักได้อาราตมักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่มกษัตริย์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังข้ณะแห่งอาราธมักอรหันต์บุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและมกษัตริย์ก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิ และบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มกักมัคสัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุททยสัตต์ไม่ใช่จกัก ไ, จกไม่ดับในพังข่าขณะแห่งอรหัตมักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมกคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทยสัตต์ก็ไม่ใช่จักดับ